Thank you. ที่อตรตมรบรรยายใครจะนั่งนิ่งๆหรือว่าจะยกมือสร้างจังหวะนะก็ได้ขอเพียงแต่ว่าอย่าปล่อยใจลอยนะถ้าหากว่าจะนั่งฟังคำบรรยายก็ให้ฟังอย่างมีสติไม่ต้องยกมือก็ได้ถ้าจะยกมือก็เพื่อให้มีสติอยู่กับการ เคลื่อนไหวมือนะบางคนอย่างเช่นชาวต่างประเทศเนี่ยอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเขาก็ใช้เวลาช่วงนี้เจริญสติโดยการรู้กายเคลื่อนไหวเสียงที่กระทบหูเขานั้นก็คงจะไม่มีความหมายอะไรเพราะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจ จะฟังคาบรรยายก็ให้มีสติอยู่กับการฟังถ้าตั้งใจฟังแล้วก็ยกมือไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นการทํสองอย่างในเวลาเดียวกันมันจะทําให้การฟังของเรานะไม่ได้ผลเนะต็มเม็ดเต็มหน่วยเดี๋ยวก็จะฟังคาบรรยายเดี๋ยวก็จะไปรู้กาย จะทให้จะเจริญสติก็ให้ทำเป็นอย่างๆนะดเดยพอสำหรับผู้ฝึกใหม่นะถ้าอยากจะฟังนะก็ไม่ต้องยกมือให้มีสติู่การฟังสมัยที่อยู่กับปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนนะเวลาท่านบรรยายนะนะทุกคนก็นั่งฟังนิ่งๆนะนะไม่มีใครยกมือนะเพราะว่าทุกคนก็ เ อ, เ, อเอาจิตมากำหนดอยู่กับการฟังกับถ้อยคำนะที่ได้ยินสมัยหลวงพ่อเขียนนะเวลาท่านบรรยายก็ท่านก็ไม่ได้บอกให้ใครยกมือไปด้วยนะานก็ให้นั่งฟังเฉยๆนะอันนี้เราก็ต้องอเข้าใจให้ถูกนะว่าถ้าจะยกมือเนี่ยเพื่ออะไรยกมือเพื่อจะได้มีสติอยู่กับการยกส่วน เสียงที่ได้ยินนะก็แค่ปล่อยให้มันผ่านหูไปไม่ต้องไปจดจอสนใจเสียงหรือถ้อยคำที่ได้ยินถ้าเกิดว่าเรากำลังยกมือสร้างจังหวะให้รู้กายไปนะกายในที่นี้ก็คือการเคลื่อนไหวแต่ถ้าอยากจะฟังให้รู้เรื่องนะก็ไม่ต้องยกมือมีสติอยู่กับการฟัง มีสียอยู่กับการฟังหมายความว่าเวลาใจมันลอยไปโน่นมันนี่ก็รู้ตัวก็ดึงกลับมาให้จิตมันอยู่ตรงหอไตรนี้แล้วก็รับรู้ถึงเสียงที่มันกระทบที่หูรับรู้ถ้อยคำบางถ้อยคำอาจจะทำให้เราสงสัย แล้วเกิดเราไปติดอยู่กับถ้อยคำหรือประโยคนั้นผู้พูดนี่พูดไปไกลแล้วแต่เราก็ยังติดอยู่กับถ้อยคำหรือประโยคที่พูดไปเมื่อครึ่งนาทีที่ผ่านมาอันนี้ก็เรียกไม่มีสติแล้วนะเพราะว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วนะต้องรู้จักสลัดความสงสัยนั้นไปก่อนนะก็ตามคำบรรยายนไป คำพูดบางอย่างอาจจะทำให้เราไม่ถูกใจเกิดความโกรธหรือว่าเกิดความขุ่นเคืองอก็มีสติรู้รู้แล้วก็หลุดนะผ่านเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยไปรับรู้ติดตามคำบรรยายได้อย่างต่อเนื่องนะเรียกว่าคลอกันไปคู่กันไปถ้าเกิดว่าผู้บรรยายพูดไปไกลแล้วนะคนฟังก็ยังขลุกคลักอยู่กับ ประโยคหรือถ้อยคำที่พูดเมื่อนาทีที่ผ่านมาอันนี้กเกลียดไม่มีสติแล้วน ะ, ะต้องสลัดสลัดทิ้งไปการเจริญเสกคือการที่ให้ใจมันผ่านตลอดอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องคำพูดบางอย่างฟังแล้วดีใจ ช, ชวนให้เราหวนคิดไปถึงเหตุการณ์ดีๆความสุขที่เคยสัมผัส อันนั้นก็ไม่มีสติแล้วนะมันไปอดีตแล้วกลับมานะการเขา้าใจในการมีสติอยู่กับการฟังเนี่ยคือการที่เรารับรู้นะถ้อยคําคําพูดที่ได้ยินนะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ใจเนี่ยมาไปติดตามแน่นแ่นอยู่กับคำพูดจกนกระทั่งลืมตัวอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะ เราลืมตัวพอฟังคำบรรยายนี่มันก็ยังไม่ใช่ต้องมีความรู้สึกตัวนะไปด้วยพร้อมๆกันก็คือว่าจิตใจรับรู้กับคำพูดอยังไม่ใช่จดจ่อแนบแน่นจนลืมเนื้อลืมตัวเวลาทำงานก็เหมือนกันนะทำงานถ้าใจเราบรนจมอยู่กับงานแล้วลืมตัว ลืมไวลั่มเวลาว่ามันกี่โมงแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีสติเหมือนกันนะบางคนทํางานเพลินไอทํางานเพลินก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามีสตินะเพราะว่าคนทํางานหลายคนอาจจะทํางานหรืออ่านหนังสือหรือว่าเล่นไลน์เล่น facebook มันก็เพลินแล้วก็ลืมเวลั่มเวลา ล, วลืมเวลาหลับเวลานอนน บางคนนะจดจ่ออยู่กับการอ่านนิยายนะกำลังภายในนะเคยมีนะเนนี่เอากลังหนังสือกลังภายในไปอ่านกลางคืนนะอ่านจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยลืมไว้ล่ำเวลาเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปทำวัดนะบิณฑบาตก็ไม่ไปนะอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะ การที่มีสมาธิจนลืมตัวนี่มันก็ไม่ใช่เป็นวิธีการเจริญสติเพราะนั้นเวลาเราฟังคำบรรยายเนี่ยก็อย่าถึงกับส่งจิตออกนอกมาที่ผู้พูดผู้บรรยายจนลืมตัวนะให้มันพอดีๆนะไม่ลืมตัวแต่ก็ฟังรับรู้เข้าใจคำบรรยายอย่างต่อเนื่องสงสัยตรงไหนก็ไม่สะดุดคือไม่ไม่ไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะ บางอย่างไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อนนะตามนะคาบรรยายไปอย่างต่อนเนื่องฟังจบแล้วค่อยไปไข้ควรว่าตรงไหนมันติดขัดสงสัยเอาก็ไปพิจารณาเอาอันนี้ก็เมื่อเรามีสติอยู่การฟังเนี่ยก็ไม่เป็นต้องยกมือเว้นแต่ว่ามันเริ่มง่วงแล้วนะ การยกมือก็อาจจะช่วยพอบางคนเนี่ยอย่างที่พูดไว้หลายวันก่อนเนี่ยนิ่งเป็นหลับนะต่อเมื่อขยับจึงตื่นนะคราวนี้พอนิ่งแล้วมันก็จะเริ่มง่วงแล้วอาต้องขยับหน่อยขยับมือยกมือสร้างจังหวะเพื่อไม่ให้ง่วงโงกนะแต่ที่จริงก็มันก็ไม่นา ง, ง่วงนะเพราะว่านี้ก็เพิ่งหัวค่านะแต่บางคนพอนิ่งๆแค่ห้านาทีสิบนาทีก็ง่วงโงกแล้ว น, นี่เรียกว่าไอ้ความรู้ตัวมันยังไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่อออ น, นี่ฟังแล้วง่วงก็ยกมือนะหรือว่าจะเพิกมือไปมาก็ได้ส่วนคนที่อยากจะยกมือก็ก็ไม่ต้องสนใจคำบรรยายให้มันผ่านหูไปเฉยๆอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่ายกไปด้วยฟังไปด้วยอันนี้มันไม่ถูกนะ มันทำสองอย่างพร้อมกันก็ไม่ต่างจากกินข้าวไปด้วยนะคุยไปด้วยเนี่ยหรือกินข้าวไปด้วยยกมือสร้างจังหวะไปด้วยเนี่ยมันก็มีใครทําอย่างนั้นอยู่แล้วนะเวลากินข้าวใจก็มีสติว่าการกินข้าวเวลาอาบน้ําใจก็มีสติว่าการอาบน้ําไม่ใช่ว่าอาบน้ําไปด้วยยกมือไปด้วยนะมันก็มันไม่เข้าท่าอะไรอย่างแบบนั้นนะ ให้มีสติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างๆไปนะถ้าจะฟังก็ฟังมีสติถ้าไม่ฟังอยากจะสร้างจังหวะก็ให้มีสติโยคานสร้างจังหวะไปอันนี้เราเข้าใจชัดนะบางคนไปไปเพ่งโทษว่าคนนี้ไม่เห็นยกมือเลยนะไปเพ่งโทษเขาไม่ปฏิบัตนะิอันนี้ก็ไม่ถูกละแสดงว่าไปส่งจิตออกนอกนะไม่ได้ดูใจตัวเอง การปฏิบัติเป็นเรื่องของใครของมันมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบอยู่ที่อยู่ที่ใจมากกว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจบางคนแม้ว่าจะไม่ได้เดินจา ก, กรมสร้างจังหวะกำลังอยู่ในเอเรียบทนอนแต่ถ้าเกิดว่ามันมีนิวรณนเกิดขึ้นมันมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ รักษาใจไม่ให้อกุศลธรรมมันครอบงมจิตใจนะไม่เข้าไปในอารมณ์นั้นนะถอนจิตออกมาหรือว่าขจัดมันออกไปจากจิตใจอันนี้พระเจ้า ก, ก็ตรัสว่าเป็นผู้ทำความเพียรเหมือนกันนะแม้ว่าอยู่ในอิเลียบทนอนนะจะไปมอว่าคนที่นอนนี่เขาขี้เกียจอันนี้ก็ยังพูดไม่ได้ เพราะว่าเขาอาจจะยังจเจริญสติอยู่นะหรือว่าทาความเพียร อ, อย่างที่เราไม่รับรู้ก็ได้ังนั้นเนี่ยเราในเมื่อเราไม่รู้ใจคนอื่นนะเราก็หันมาดูใจตัวเองล้วก็อย่าไปตัดสินว่าคนนี้ไม่ปฏิบัตินคนนั้นไม่ปฏิบัติเพียงเพราะดูที่อาการอาการกิริยาภายนอก บางทีการพูดเช่นนั้นการตัดสินเช่นนั้นอะ่ะมันก็บ่งบอกว่าตัวเองไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าส่งจิตออกนอกแล้วไปเพ่งโทษผู้อื่นไม่ดูใจตัวเองว่ากำลังยกตังข่มท่านหรือเปล่านะครนี้ในระหว่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะแม้จะฟังคำบรรยาย น, นก็จะมีผัสสะอย่างอื่นเข้ามากระทบนะก็ต้องรู้ทันด้วยนะว่าใจมันกระเพื่อมหรือเปล่า การเจริญสติเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนใหญ่ๆนะส่วนนึงก็คือว่ารู้กายเคลื่อนไหวไอ้กายเคลื่อนไหวนี่บางครั้งก็ต้องเจตนาสร้างอิเดียบทขึ้นมาเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะนะอันนี้เป็นเจตนาสร้างขึ้นเพื่อฝึกจิตให้มีสติ้ให้จิตเนี่ยนะมีมีเครื่องอยู่นะอันนี้เรียกว่าจิตมีเครื่องอยู่ หรือแบบมีแบบฝึกหัดพอถ้าไม่มีเครื่องอยู่นะมันก็จะลอยไปโน่ ล, ลอยไปนี่ออกจากปัจจุบันเครื่องอยู่เนี่ยก็ต้องเป็นเครื่องอยู่ที่มันเป็นกลางๆเช่นลมหายใจมั่งมือที่เคลื่อนไหวเท้าที่ก้าวเดินเพื่อให้ใจมันมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะอันนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่มีสติเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นนะ มันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มากระทบตาหูจมูกลิ้ยกายใจโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ปราธนานะมันมาเองเราเลือกไม่ไดนะ้และบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นเสียงดังอากาศร้อนหรือว่ายุงกวนนะไอ้พวกนี้เนี่ยนะอย่าไปอย่าไปต้องอย่าไปผักสามันนะให้เรามาดูใจนะว่า ใจเราเป็นยังไงมันบนโวยวายตีโพยตีพายหรือเปล่ามันมีโทสะเกิดความหงุดหงิดขึ้นไหมนี่แหละคือโอกาสที่เราจะได้ฝึกสติเพราะว่าแม้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจก็ตามเนี่ยถ้ารู้ทันนะมันดีทั้งนั้นโกรธเกิดขึ้นในใจอ้าวรู้ว่าโกรธอันนี้ดีในทางตรงข้ามดีใจแต่ไม่รู้ดีใจหลงเพลิแม้มวความดีใจ น, นี้กลับไม่ดีนะ หรือว่าฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านรู้เฉยๆนะไม่ใช่รู้แบบรู้ไปบ่นไปเนี่ยอันนี้ถ้ารู้เฉยๆนะว่าใจมันฟุ้งซ่านอันนี้ดีแต่ถ้าสงบและจิตมันดื่มดำความสงบนะจนเพลินอ่จนลืมตัวอันนี้ไม่ดีนะอย่าไปคิดว่าสงบแล้วมันจะดีเสมอไปนะสําหรับสมถะเนี่ยสงบคือดีฟุ้งซ่านคือไม่ดีแต่สําหรับการเจริญสติ ที่จะมุ่งไปสู่วิปัสสนาเนี่ยสงบแล้วไม่รู้ตัวนี่ไม่ดีนะฟุ้งซ่านหรือว่าหงุดหงิดแล้วรู้นะอันนี้ดีนะแต่ก็ต้องรู้แบบเป็นกลางๆนะรู้เฉยๆนะเห็นมันเกิดขึ้นก็เออหลวงพ่อท่านคำเขียนท่านบอนเนี่เวลามีอะไรเกิดขึ้นแม้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ อ, อือไม่ใช่โอ้ยนะ นะมียุงกัดยุงมาตอมก็โอ้ยแดดร้อนก็โอ้ยนะเห็นรถติดนะหรือว่าเจอไฟแดงนะขณะที่กาลังเรียกก็โอ้ยนะอันนั้นไม่ถูกแล้วโอ้ยกับอือมันต่างกันนะอืนี่มันคือว่ามันเห็นแล้วมันก็เฉยๆนะแต่ถ้าโอ้ยเนี่ยนะมันแปลว่า ไม่ไหวแล้วนะนะหลวงพ่อเอี่บอกถ้าโอยเนี่ยแปลว่าไม่ไหวแล้วถ้าอือนี่แสดงว่าไม่เป็นไรนะเมื่อเราอืมอมาแล้วนี่แสดงว่าเราเห็นมันมันอาจจะอือเมื่อเกิดรู้สึกถึงยุงกัดนะยุงกัดก็อือนะไม่ใช่โอยนะโอยนี่ไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ได้ร้องให้คนได้ยินนะแต่ว่ามันโอ๊ยในใจไอ้ น, นี้ไม่ใช่ละนะ เท่าโอ้ยนี่แปลว่ามันไม่ไหวแล้วแต่ถ้าอือเนี่ยแปลว่าไม่เป็นไรอือเนี่ยแสงว่าเห็นเท่าโอ้ยนี่แสดงว่าเข้าไปเป็นแล้วเช่นคันเจ็บปวดเมื่อยถ้ามันโอ้ยขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้ไม่ถูกแล้วนะก็น้องไปฝึกใหม่ให้มันแม้จะคันเพราะถูกยุงกัดแม้จะปวดจะเมื่อยก็อืออือคือรับรู้เฉย ในทีจริงเวลามียุงมาม า, มากากรูนี่นะเป็นโอกาสดีที่จะฝึกนะฝึกการเจริญสติเริ่มด้วยการที่ดูใจนะใจมันเป็นยังไงเวลาเห็นยุงมันมากวนมันบินนะมันเกิดความพิตกมีความกังวลไหมมีเกิดความไม่ชอบหรือเปล่าน ะ, ะดูซะดูใจอยู่ไม่ทันกัดเลยนะมันยังไม่ทันถูกเนื้อถูกตัวเลยใจทุกข์ซะแล้ว อันนี้พอมันเกาะตามมือตามขาดูใจเราเป็นยังไงใจมันเกิดความวิตกกังวลเกิดความทุกข์หรือเปล่าเกิดความขยั่งหรือเปล่านะเกิดความรู้สึกอยากจะตบหรือเปล่านะอันนี้ดูซะมันเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้มาดูนะใจพอมันกัดหรือพอมันเจาะนะแขนเรานะขาเรา มันเป็นยังไงโอยหรือว่าอือนะถ้ า, ากว่าโอยเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เจ็บที่แขนนะหรือว่าเจ็บที่กายนะใจก็เจ็บด้วยอันนี้เราซ้าเติมตัวเองนะซ้าเติมตัวเองแต่ถ้าเราพอรู้ว่ามันคันมันเจ็บเออล้วก็อือนะอันนี้แสดงว่าไม่เป็นไรแสดงว่าเราเห็นมันนะแสดงว่ามันเจ็บแต่กายใจไม่เจ็บ ใจไม่โปวดนะแล้วตอนที่มันกัดเนี่ยนะรู้ทันกายไหมกายมันเป็นยังไงนะกายมันขยือนขยับนะขยือนมือขยับแขนจะไปจะไปตบหรือเปล่านะไอ้ที่มันจะตกเพราะอะไรเพราะมันมีความอยากเห็นความอยากไหมไอ้ที่มันอยากเพราะอะไรเพราะมันเกิดโทสะมันเกิดโทสะนะเกิดความโกรธ ที่มันกลรธเพราะมันคันมันเจ็บเห็นโทรศัที่เกิดขึ้นไหมและเห็นความอยากที่เกิดตามมาไหมคืออยากตกนะอยากปัดนะบางคนไม่เห็นนะปัดไปละตกไปละเนี่ยถึงค่อยรู้ตัวเนี่ยอันนี้ก็สอบตกนะอะก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่นะนั้นมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ดูดูกายดูใจนะ แล้วก็ดูกายไปด้วยนะตอนที่มันเริ่มบินวนเนี่ยนะมันมีความผิดปกติที่กายไหมนะมีความเกรงหรือเปล่านะลมหายใจเป็นอย่างไงเนี่ยขนาดยุงนะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่งูไม่ใช่อะไรบางคนก็หัวใจก็เต้นเร็วแล้วนะดูกายนะดูกายหน่อยรวมทั้งให้ดูได้ ว, ว่า มือมันเคยื่อนขยับเพื่อจะไปตบหรือปัดไหมไม่ได้ห้ามนะถ้าจะปัดมันเนะ่ยแต่ว่าถ้าจะปัดก็ให้ปัดอย่างมีสตินะไม่ใช่ทําด้วยความไม่รู้ตัวหรือทําด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะเหมือนกับเวลาปวดเวลาเมื่อยนะเราก็จะเปลี่ยนเรียบบทก็ได้นะแต่ว่าให้ทําอย่างมีสตินะไม่ใช่พลิบผันนะถ้าจะปัดนะ ก็ให้มีสติรู้ตัวนะรู้ตัวสักครู่ก่อนนะก่อนที่จ ะ, ะเคลื่อนมือไปปัดมันนะหรือจะฝึกดูก็ได้ว่าเออเราจะทำใจเป็นปกติได้ไหมนะเวลามันกัดนะเห็นกายเห็นใจอันนี้พอกัดแล้วเนี่ยมันคันมันปวดก็เป็นโอกาสให้เราได้ฝึกดูเวทนาได้อีกเหมือนกันนะ ระหว่างที่เกิดความคันขึ้นมาเป็นยังไงมันอึหรือมันโอยหรือมันบนไหวๆนะแต่ใหม่ๆในใจไปรู้ทันเวทนาหรือดูเวทนามันยากนะส่วนใหญ่ดูที่ไหลเข้าไปเป็นผู้ปวดผู้คันทุกทีแทนที่จะเห็นความปวดความคันก็กลายเป็นผู้ปวดผู้คันไปซะและ้วนะใหม่ๆนี้ก็มาดูใจก่อนดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีความหงุดหงิดความโกรธความกลัวมันมีโทสะเกิดขึ้นไหม นะดูใจก่อนนะนถ้าเราถ้าเราเห็นเรารู้ทันเนี่ยนะใจมันเป็นปกติถึงเวลามันคันนะมันก็คันแต่กายนะหรือว่ามันทุกข์แต่กายนะใจไม่ทุกข์แต่ถึงแม้ไม่มียุงกัดก็ใช้เวทนาคือความปวดความเมื่อยขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้มาเป็นครูสอนเราพวกนี้เป็น ครูสอนเราได้ทั้งนั้นนะว่าเราจะเห็นความปวดโดยที่ไม่เป็นผู้ปวดเห็นความเมื่อยโดยไม่เป็นผู้เมื่อยได้ไหมนะฝึกเอาไว้นะเพราะ ว, าว่าวิชานี้ต่อไปต้องใช้ในยามที่เกิดทุกขเวทนาที่มารุนแรงกว่านี้คนเราเนี่ยนะมันจะหนีความเจ็บความปวดเนี่ยมันก็หนีไปได้ไม่ไม่ตลอดหรอกนะเพราะสักวันหนึ่งก็ต้องเจ็บต้องปว่วย ที่จริงมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะไอ้ความเจ็บความปวดความเมื่อยเนี่ยถึงแม้สุขภาพดีนะมันก็ต้องมีบางช่วงบางจังหวะที่ต้องปวดต้องเมื่อยบางอย่างมันก็เปลี่ยนอเดียบทเพื่อบรรเทาเพื่อแก้บางอย่างมียานะเพื่อระ ง, งับนะเช่นถูกพึ่งตอ่อยอ่าวปวดหัวอ้าวมียานะแต่ว่า มาถึงจุดหนึ่งนะเราก็อาจจะต้องเจอกับทุกขเวทนาที่ไม่มียารักษายาเอาไม่อยู่เช่นอาจจะเป็นมะเร็งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นโรคซึ่งมันไม่มียาที่จะระงับปวดได้ถึงตอนนั้นเนี่ยนะจะไปพึ่งยาไม่ได้แล้วมันต้องพึ่งใจใจที่สามารถจะช่วยให้เราเนี่ย อ, อยู่กับทุกขเวทนาความปวดได้ ฝึกฝึกวิชานี้ไว้ก่อนนะขณะที่เรายังไม่เจอศึกหนักนะในแค่ยุงกัดหรือว่าปวดเมื่อยนี่มันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากนะถ้าเราทิ้งโอกาสนีนะ้ในการที่จะฝึกให้มีสติรู้ทันเวทนาอยู่กับเวทนาได้โดยที่ใจไม่ทุกเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าพลาดโอกาสทองนะแล้วก็ถือว่าประมาทด้วย เพราะว่าสักวันนึงเราต้องเจอของที่มันหนักกว่านี้รุนแรงกว่านี้นะเป็นร้อยเป็นพันเท่านะโอกาสจะเจอเนี่ยมีมากทีเดียวนะถ้าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ฝึกวิชานี้เอาไว้นะนะก็จะมีความทุกข์ทรมานมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีมีทุกขเวทนานะเกิดขึ้นกับกายของเรา นะไม่ว่าจากยุงไม่ว่าจากมแมลงไม่ว่าจากท่านั่งที่นานๆหรือว่าจากแดดนะเราก็ใช้โอกาสนี่แหละเป็นเครื่องฝึกจิตฝึกใจเจริญสติของเราไปนะอย่าเอาแต่เอาแต่หนีนะนะเจอยุงก็ปัดอย่างเดียวนะหรือว่าหนีอย่างเดียวนะอันนี้ก็เรียกว่าพลาดโอกาสในการที่จะ ฝึกจิตฝึกใจของเรามันไม่ใช่การทรมานตนนะมันเป็นการฝึกนะเพื่อเราจะได้มีสติที่ว่องไวเราจะได้เลยรู้ว่าไอาการที่จะรู้เวทนาเนี่ยมันทําอย่างไรนะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกจากชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยเราจะไปฝึกจากที่ไหนนะเพาฉนั้นอาจารย์เนี่ยนะของเรามีอยู่รอบตัวนะถ้าเป็นอาจารย์ฝึกสติหรือว่า เจริญปัญญาเนี่ยอายุงก็เป็นอาจารย์ของเราได้หมดก็เป็นอาจารย์ของเราได้เสียงดังก็เป็นอาจารย์ของเราได้นะแม้แต่คนที่ต่อว่าด่าทอเราก็เป็นอาจารย์ของเราได้นะเขราเขามาฝึกให้เราเนี่ยนะมีสติรู้ทันไม่ให้ใจกระเพื่อมไม่ให้ใจเป็นทุกข์สมัยที่หลวงพ่อพุทธานิโยเนี่ยนะท่าน ยังเป็นพระหนุ่มเนี่ยนั่นเคยไปจำพรรษาอยู่แถวอุบลวันหนึ่งท่านก็เดินบินธบาตในเมืองอุบลก็เห็นโยมคนหนึ่งผู้หญิงยืนรอใส่บาทอยู่ท่านก็เดินไปหาข้างๆผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเด็กชายอายุห้าขวบก็คงเป็นลูกชายนะพอท่านเดินไปใกล้จะถึง เด็กคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามึงบอกแม่นพัดดอกมึงบแม่นพัดดอกท่านไม่เคยได้ยินเด็กหรือแม้แต่ผู้ใหญ่พูดแบบนี้เลยนะมึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระทีแรกท่านก็โกรธนะขุนเคืองใจแต่สักพักก็มีท่านก็ได้คิดว่าเออจริงของมันนะถูกของมันเราไม่ใช่พระเพราะเราถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอคิดได้แบบ น, นี้นะไอความโกรธมันวูบไปเลยนะ คนเราเนี่ยพอมีสติเนี่ยไอความโกรธมันก็หลุดไปจากใจแล้วท่านก็เดินด้วยสีหน้าปกติไปรับบาปไม่ได้มีความโกรธขุนเคืองเด็กหรือว่าแม่เด็กเลยนะต่อหลังท่านก็พูดถึงเด็กคนนี้ว่าเป็นอาจารย์ของท่านนะเป็นอาจารย์นะเพราะว่ามาสอนท่านหลายอย่างนะสอนให้มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น นักปฏิบัติเนี่ยนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราดีหรือร้ายเนี่ยโดยเพราะร้ายๆเนี่ยลหะนะมันเป็นโอกาสในการฝึกสติของเราสร้างปัญญาคนบางคนเนี่ยพอเจออะไรที่ไม่ชอบก็หนีท่าเดียวนะอะไรที่ไม่คุ้นเคยก็หนีจะคลุกตัวอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยนะอะไรที่แปลกใหม่ก็ไม่ยอมไม่กล้านะ อันนี้เรียกว่าชอบอยู่กับไข่แดงนะจมอยู่กับไข่แดงไม่กล้าออกไปนอกไข่แดงไข่แดงนี่เขาเรียกว่าคอมฟอร์ z โซนก็คือว่าเขตที่มันสบายนะก็คือประสบการณ์หรือสถานที่ที่เราคุ้นเคยนะไม่เคยกล้าทำอะไรใหม่ๆนะเวลาไปเมืองนอกก็จะกินแต่อาหารไทยนะไม่เคยคิดจะ ก, กินอาหารพื้นบ้านมึงนะไปเมืองอีกแแคก็ คนอาหารไทยไปอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าไม่คุ้นนะอาหาราหาแขเนี่อร่อยนะแต่ว่าคือไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆเวลากลับบ้านนี่ก็ใช้แต่เส้นทางเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนเส้นทางเลยนะอันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอเจออะไรที่มันไม่คุ้นนะเช่นสถานที่มันลำบากนะ อยากจะมาวัดอยากจะหาความสงบแต่พอรู้ว่าวัดมันลําบากนะมีแมลงเยอะอะก็ไม่เอาละฉันขออยู่บ้านดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคุ้นเคยเพราะมันสบายอย่างงี้เนี่ยนะมันเรียกว่าเป็นความประมาทนะทหารเนี่ยนะเขาจะมีภาษิตว่าเนี่ยยามสงบเราฝึกนะยามศึกเราลบนะอภาษิตนี่ก็มาใช้กับคนเราได้เหมือนกันนะถึงแม้เราจะไม่ใช่ทหารนะไอ้ยามที่สบายก็ต้องฝึกเอาไว้นะ เจออะไรที่ไม่ถูกใจก็เข้าหาเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยที่ใจไม่ทุกข์อะไรที่ไม่ชอบไม่คุ้นเคยก็ลองนะเข้าไปเจอเข้าไปเข้าไปสัมผัส ด, ดูนะเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่คุ้นแดดร้อนอากาศหนาวอลองดนะอูยุงเยอะก็ลองดนะูเรียนรู้ในการที่จะปรับใจของเราให้เข้าให้อยู่กับสิ่งต่างๆได้ ทำยังไงกายทุกข์ใจไม่ทุกข์อ่านี่ถ้าปฏิบัติต้องต้องต้องต้องกล้าที่จะเข้าไ ป, ปเผชิญกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยไม่ใช่เก็บตัวอยู่แต่อ่ากุตติหรือว่าบ้านนะที่มันคุ้นเคยนะอันนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยนะจะมีปัญหามากเพราะว่าพอพอเจ็บพอป่วยหรือว่าพอเกิดความพัดภาคสูญเสียต้องไปอยู่ในสถานาที่ไม่คุ้นเคยแล้วเนี่ยก็ วางใจไม่ถูกนะทำตัวไม่เป็นนะปรับตัวไม่ได้นะก็ทุกทรมานนะนะเพราะนั้นเนี่ยนะยิ่งนักปฏิบัติด้วยแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการฝึกตนนะนี่จึงเป็นประเพณีนะที่พระเนี่ยนะจะออกทุดดงนะสมัยก่อนนี่พระเนี่ยออกทุ ด, ดงเพื่อจะได้ไปเจอกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยไปเจอความยากลำบากนะ ออกจากไข่แดงนะไปเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจแล้วก็เลรู้ที่จะอยู่กับมันไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความอดความอยากความยากลำบากอันตรายนะที่ชวนให้หน่าสะพึงกลัวท่านในสุดก็จะรู้ว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจนะที่นี่มันก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรนะแต่ว่ามันก็มีการบ้านให้เราฝึกได้หลายอย่างนะเพราะเวลาเราโดนยุงเกัดเวลามียุ่งมากวนยุงมากไมก็ อย่าไปมัวแต่ส่งจิตออกนอกไปที่ยุงหรือว่าจนปล่อยให้อะความโกรธความกลัวความทุกข์มันเล่น ง, งานจิตใจน ะ, ะดูใจของเราด้วยนะอย่าไปดูแต่ยุง่งจะไปะไปเพ่งนะสิ่งนอกตัวอย่างเดียวแล้วกลับมาดูใจแล้วเนี่ยมันจะทำให้สติเราเนี่ยจเจริญงอกงามมากขึ้นเอาล ะ, ะคำนี้เพกกื่อนเท่านี้อกักราภะ